สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิจพิบาลนะครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในชาวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอญบทที่15ข้อที่4และข้อที่5นะครับพระธรรมยอนบทที่15ข้อที่4และข้อที่5โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชันใด ทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราเช น, นั้นเราเป็นถาวางุนท่านทั้งหลายเป็นขแขนงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นจะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยโปรดฟังอีกครั้งนะครับเพราะจะาหน้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่4และข้อที่หนะครับ จงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่านขนแนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเถาชันใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาอัุ่นท่านทั้งหลายเป็นขนแดงผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะเกิดผลมากเพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทาสิ่งใดไม่ได้เลยพี่น้องครับ วันนี้เราอยู่ในกฎแห่งการเกิดผลประเด็นที่สองครับเราจะต้องรู้ความจริงที่ว่าต้นองุ่นเท่านั้นหรือเาอาถาังุ่นทึ่งึงถึงพระเยซูเท่านั้นที่มีชีวิตจะส่งการเกิดผลออกมาชีวิตที่เกิดผลอยู่ในเถาอางุ่นครับหรือต้นองุ่นนั่นเองและต้นองุ่นนี้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์ พวกเราทุกคนคงทราบดีนะครับว่าต้นอ ง, งุ่นนี้ก็หมายถึงพระเยซูการสําแดงออกตลอดชีวิตของพระเยซูนั้นสำคัญมากครับชีวิตที่ดำเนินอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่เกิดบังเกิดจนกระทั่งถึงวันที่ปรองเสร็จขึ้นสู่สวรรค์ที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าสาวกและคนรอบข้างอยู่ในครอบครัวของพระองค์อยู่ต่อหน้านางมารีซึ่งเป็นมารดาของพระองค์ 33ปีที่อยู่ในโลกนี้ยืนยันให้รู้ว่าพระเยซูเป็นแหล่งแห่งการเกิดผลครับพระองค์มีชีวิตในการเกิดผลพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อีกตอนหนึ่งที่ทําให้เราเห็นถึงความจริงของการเกิดผลก็คือการที่เราจะต้องทําตามน้ำพทัยของพระเจ้าแล้วก็จะเกิดผลปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่ 8: ปดข้อยีครับพระธรรมยอห์นบทที่ 8ข้อที่29ฟังพรจนะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตยอยู่กับเราพระองค์มิได้ทอดทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตยอยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ทรงทิ้งเราไว้ตามลำพังเพราะว่าเราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ พี่น้องครับพระเจ้านัของพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนมากครับว่าการที่เราจะเกิดผลมากเราต้องทำตามชอบพระทัยของพระเจ้านะครับนอกจากเราจะต้องรู้ว่าพระเยซูเป็นแหล่งของการเกิดผลแล้วอันที่สองก็คือเราจะต้องทำตามชอบพระทัยของพระองค์ครับในในประเด็นที่3ในเช้าวันนี้พระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่6ครับ พระธรรมยอญบทที่8ข้อที่4ถึงข้อที่6โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณียอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินคว้างคนเช่นนี้ให้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์ แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินพี่น้องครับในชีวิตของพระเยซูหลังจากที่พระเยซูได้ทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ในการรับใช้พระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐและแผ่นดินของโปรงนั้นพระเยซูถูกจับตามองจากพวกธรรมจารพวกฟาริสีตลอดเวลาครับและสามปีก็ไม่สามารถที่จะหาเหตุฟ้องพระเยซูได้ พระเยซูนั้นไม่มีความผิดไม่มีความผิดครับนั่นคือพระเยซูนั้นมีชีวิตที่บริสุทธิ์ถูกต้องชอบธรรมพิล็องครับท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปทิงนั้นได้ยกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับแม้แต่นางมารีซึ่งเป็นมารดาของพระเยซูนั้นก็เป็นพยานหลักฐานที่สําคัญมากครับที่บอกว่าพระเยซูไม่มีาบาป พระเยซูทรงไม่มีบาปมารดาของพระเยซูมารีและเป็นสาวกของพระเยซูนางเชื่อว่าพระเยซูนั้นบริสุทธิ์ปราศจากบาปถามว่าทำไมครับนางถึงจะต้องเป็นสาวกของพระเยซูเพราะแท้จริงแล้วมารีนี่รู้จักกับพระเยซูดีที่สุดนะครับตั้งแต่คลอดพระเยซูมาพระเยซูเป็นเด็กทารกขึ้นเป็นวัยเตาะแตะขึ้นเป็นเด็กน้อยนะครับขึ้นมาเป็นวัยรุ่น ตอนต้นตอนปลายจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่มารดาของพระเยซูนั้นเป็นคนที่ดูแลพระเยซูมาเสมอมาโดยตลอดพี่น้องครับลองคิดดูนะครับหากนางมารีพบว่าพระเยซูมีาบาปนางก็จะไม่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงช่วยให้รอดพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และนางจะกล่าวว่าท่านทั้งหลายเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยให้รอดได้ยังไง พี่น้องครับคนที่รู้จักเราที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราครับและเมื่อคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเขาเห็นชีวิตของเราพี่น้องครับนั่นแหละครับคือชีวิตจริงๆของเราครับชีวิตจริงๆของเรานั้นเราจะต้องขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เราที่จะเกิดผลอยู่ภายใต้3ามประการในเช้าวันนี้ครับประการแรกก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่า ขแขนงนะครับแบบเราเนี่ยเกิดผลเองไม่ได้ครับนอกจากจะติดอยู่กับเถานอกจากจะติดอยู่กับต้นอังุนนั่นคือประการแรกประการที่2ก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องทําตามชอบพัฒัยของโปรง่งเสมอและประการที่3ครับเราจะต้องเป็นคนชอบทำเป็นคนที่บริสุทธิ์ครับเราจึงจะเกิดผลพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะต้องพิจารณาตัวเองเสมอครับว่าเราได้ connect หรือติดอยู่กับเถาวัอางุ่นต้นองุ่นก็คือได้มีโอกาสที่จะอ่านพระชนะของพระเจ้าไข่ควรพระชนะของพระเจ้าได้มีโอกาสเฝ้าเดี่ยวเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันและได้มีโอกาสอธิษฐานเทียทูลขอสรรเสริญพระองค์และได้มีโอกาสที่จะฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือไม่พี่น้องครับนั่นเป็นกับประการแรกคือเราต้องติดอยู่กับเถาวัอางุ่นประการที่สองก็คือ เราจะต้องทําตามน้ำพระทัยของพระองค์ทําตามที่พระองค์ต้องการหลายครั้งเราทําสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรทําอันดับแรกนะครับเพราะการจัดอันดับความสําคัญก่อนหลังของเราผิดพลาดไปครับเราเองนั้นจะต้องกลับมาสู่ Priority <c oughs> ก็คือความสําคัญก่อนหลังครับอะไรควรอะไรมาก่อนต้องทําก่อน first thing first พี่น้องครับอย่าลืมนะครับนั่นคือเราทําตามชอบพระทัยของพระองค์พระองค์ต้องการอะไรเราทําก่อนครับ ประการสุดท้ายก็คือว่าเราจําเป็นที่จะเกิดผลก็คือต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปนั้นเป็นการเลือกของเราที่จะเลือกมีชีวิตที่ชอบทำหรือมีชีวิตแบบคนอธรรมพี่น้องครับรเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิมีสงหารศีสสที่พระเจ้าได้มอบให้กับเรานั่นเองเราจึงอย่าเอาชีวิตของเราไปเกลอยกลั้วอยู่กับสิ่งที่ เป็นสิ่งสกปรกครับพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันเป็นการสําแดงชีวิตที่เหมือนกับเปรเยซูครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้ ต, ตลอดวันนี้อาเมน